คงในกรมรจัน์ก็จะยังไม่สึกรลาสิบขาบทยังคงต้องอยู่สืบประยุก ป, ประสาทศาสนาได้แก่การสร้างบารมีใน้แก่ตนของตน ติดต่อไปแต่จะอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมในศาสนาโดยที่เป็นนักบวชและเราก็ไปร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ว่าเราจะมีฐานะลดดันคันลงไป <c oughs> คือเป็นอาวุโสพันเต <c oughs> ก็ตามเราทุกท่านก็ต่างมีปะละหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบและทุกท่านก็ได้ต่างอุทิศใจศึกษาปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะกระทำบำเพ็ญให้มันเกิดมีปุ่นเกิดเติมค ง, งตมได้แต่จะอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันร่วมกันทรงไวและสร้างสรรค์ คุณงามความดีให้กับตนของตนเราทุกคนก็นเท่ากับ ว, ว่าได้ร่วมกันทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันพัฒนากันโลงซึ่งพระพุทธศาสนาด้วยกันร่วมกัน <c oughs> ด้วยการ <c oughs> ด้วยการปฏิบัติดีด้วยการปฏิบัติชอบ กานปฏิบัตินั้นมันก็เป็นธรรมดาบางท่านบางองค์ก็อาจจะย่ออย่างไปบ้างบางท่านบางองค์ก็ <c oughs> อาจจะเกินไปบ้างเห <c oughs> ล่านี้เราทั้งหลายกระต่างให้เราไพ่ซึ่งกันและกันให้ความเห็นลกเห็นใจ แก่กันและกันพวกเราจึงได้อยู่ร่วมกันมาด้วยสันติคือความสงบสุขเมื่อเราอยู่กันด้วยความสงบสุขโดวยวิธีการอย่างไรและเราได้รับความสะดวกสบาย ในสมัยที่เราได้เข้ามาประพฤติพรห ม, มจรรย์คือสบายเฉพอะตนไม่ได้เกี่ยวกับมูไม่ได้เกี่ยวกับคณะความสบายเฉพอะตนนั้นย่อมเป็นผล น, นั้นเกิดขึ้นจากการรู้จักวางตนของตนไวในใฐานะที่ควร ลอถึงการประพฤติการปฏิบัติอบรมกายวาจาและจิตใจของตนจนปรากฏผลเป็นที่สงบและก็เป็นความสุขถึงแม้มันจะไม่มากก็ทราบซึ้งในผลนั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางจิตใจก็ตาม ถ้าเป็นเป็นความสงบเล็กๆ น, น้อยๆก็นับว่าเป็นนิมิตหมายบอกถึงผลของการกระทากล่าวคือประทุธภมมาจันจรร์ของพวกเรานะั้นย่อมเป็นของมีอยู่ไม่ใช่เป็นของกล่าวจากประโยชน์คือลงทุนในยการเสียสละและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ กล่าวโดยไม่มีผลเป็นเรื่องตอบแทนอันนี้นั่นเป็นเรื่องของจิตใจไม่เกี่ยวเรื่องในหมู่ในคณะตลอดเวลาที่เราได้ไประสบผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของเรานั้น มีอย่างไรเราอย่ามุ่งแต่ผลทางใจคือสมาธิไม่แค่สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเพียงอย่างเดียวคําว่าผลนั้นตลอดเวลาสามเดือนใจมากเราท่านทั้งหลายได้งดเว้นจากการกระทําอันจะพึงแสดงออกทางกาย จากการกล่าวอันจะพึงแสดงออกทางวาจาเป็นไปด้วยกับการเง้นจากบาปอันได้ชื่อว่าเป็นความชั่วไม่ควรแก่ภาวะของการเป็นนักบวชจะพึงกระทําจะพึงพูด นเราสามารถที่จะมองเห็นการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันระวันเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แห่งกายและวาจาเพราะกายของเราไม่ฆ่าจัดจัดชีวิตเป็นต้นวาจาของเราก็ไม่ได้ปูุกปดเป็นต้นเหล่านี้เท่ากับว่า กายของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอำนาจของศีลที่เราได้ตั้งใจสมาทานตั้งใจสังรวมกายวาจาตั้งใจสังรวมอินทรีย์ แ, แก่ตาหูจมูกลิมกาย จะเป็นไปโดยเหมาะสมแก่สามณะสารูปเหล่านี้ความบริสุทธิ์บาปไม่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาอันนี้แหละย่อมเป็นผลดีเป็นผลงามย่อมเป็นสิ่งที่เราได้ บาบการที่เราได้เสียสลางคงวางภารกิจนันเป็นสิ่งที่เราพึงปฏิันามาสู่ในภาวะของความเป็นนักบวนซึ่งเป็นผู้ประพฤติรมจรย์เป็นผู้รักษาซึ่งพระาศาสนาเท่ากับว่าเราได้กระทำ เพื่อแสดงออกซึ่งความเป็นขายาในทางมุทธศาสนากับเขาคนหนึ่งแต่เพราะว่าความบริสุทธิ์ถึงแม้จะไม่เป็นสมุเทเฉบต ร, ระหันเยี่ยงอย่างพระเรเจ้าผู้ที่บำจิตผู้มีจิตได้ก้าวล่วงโลกกิยธรรมขึ้นสู่โลกุตลธรรม มีพระโสดาบันซึ่งเรียกว่าพระเสะเป็นต้นก็ตามเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างพระผู้ที่มีกิเลสเหมือนกันนี้แหละแต่ว่าความบริสุทธิ์ของกายวาจานั้นย่อมไม่เกิดผลให้ยังความเายเ็นกายเย็นจิต ปรากฏชัดเจนเหมือนกับผลของสมาธิกล่าวคือจิตของเรารวมอย่างลงสู่ความเป็นเอกคือเป็นเอกัคคตาลมตลอดถึงผลของการที่เราได้เสียสละนัก บ, บวชได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละเสียสละความเวยสดงดงาม ไดแต่ผมบนศีรษะเราก็โกนปูดทิ้งคิ้วอยู่ที่เนื้อตาเรียกว่าขนหนงคิ้วเราก็โกนทิ้งตลอดทั้งหนวดและเขาเราก็โกนทิ้งเล็บมือเล็บเท้าเราก็ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ย่อมเป็นเครื่องเสริมทรงและตระดับให้สาระลูกของบุคคลและสัตว์เกิดเป็นของที่สวยงามได้เราก็เห็นเป็นของสวยงามและจะพึงตกแต่งใหมนเกิดความเฉล่งามยังความ สบายใจให้แต่ตนของตนแม่บุคคลผู้ทั้งหลายที่ได้เห็นการตกแต่งของเราก็ย่อมจกเกิดความดีใจเหมือ น, นกับเราเห็นความงามปรากฏในเรือนร่างของบุคคลผู้อื่น เรามีความรู้สึกต่อความงามนั้นอย่างใหบุคคลอื่นก็ย่อมจะมีความรู้สึกในความงามที่ปรากฏในตัวของเราอย่างนั้นเหมือนกันสองเราได้เสียสละความสุข เราจะพึงได้พึงถึงตามปกติธรรมดานั้นได้แก่การปนเปื้อนสภาพร่างกายสัตว์โลกทั้งหลายที่อบัตรเกิดขึ้นมาในโลกโดยเฉพาะสัตว์ได้แก่หมู่มวลมนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายการที่เราจะดำรงทรงอยู่ได้ซึ่งชีวิตหมายถึงมีลมหายใจอยู่ได้ และก็สามารถที่จะประกอบได้กัการกระทําในสิ่งที่มันอาจจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราได้นั่นได้แก่อาหารสัตว์ทั้งหลายย่อมอยู่ได้โดยอาหาร การบริโภคอาหารเพื่อย่างชีพของเราให้ดำรงสม อ, อยู่ตามที่เราได้เห็นและรู้โดยทั่วทั่ ว, วไปแม่ตัวของเราเองก็ได้กระทำเพื่อความเป็นอยู่สำหรับชีวิตอย่างนั้นคือวันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็งคือกลางวัน เราก็จะรับทานหรือบริโภคกันอย่างน้อยสองมือถึงสามมือชีวิตของเราจึงยำรงรงอยู่ได้โดยความเป็นปกติทุกขเวทนาไม่เกิดขึ้นไม่ครอบงำเราก็ได้เสียสละการคนลคืน กระเพาะร่างกายดังตาวนี้รถย่อนผ่อนลงไปจากสามมือหรือปลำปละมือสมัยเมื่อเราเป็นพราว่าหรือเป็นเครือขันเข้ามาประพฤติปฏิบัติคมมจันทร์ซึ่งเป็นนักบวชไปที่สองมือเหลือเพียงหนึ่งมือบั๊กสองมือบั๊ก นี่เท่ากัว่าเราตัดหรือลดย่อนตอนเครื่องบนเลือยสภาพร่างกายลงไปถ้าเราเป็นผู้ไม่เสียสละหรือไม่คิดจะถัดจะลดเราก็จะไม่สา ม, มารถที่จะปรากฏอยู่ในภาวะของความเป็นเพศแห่งสมณะผู้ประพุตธธิธรรมจัดหรือเป็นผู้ทรงศาสนาสืบต่อศาสนา หรือเป็นชายาตในพระพุทธศาสนาขึ้นมาได้แต่นี่เราได้ชื่อว่าเราเสียสละความปนเปื้อนสภาพร่างกายเสียสละผลประโยชน์ผลประโยชน์ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองข้าของนานับประการอันได้ชื่อว่าสมบัตินรโพกสมบัติ ย่อมเป็นสาธหตะในความต้องการและปะาดิหาแห่งปวมชนไม่จะพอาะคนหรือจะเพราะเราหรือจะพราระใครขึ้นชื่อว่าโภคะหรือว่าสมบัตินั้นๆย่อมเป็นที่ปาฏิารของพวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในทางโลกก็มีชีวิตอยู่เพื่อ โภทรับสมบัติเท่านั้นไม่จะเพื่ออื่นใดเราท่านทั้งหลายก็ได้เสียสยละผลประโยชน์อันจะพึงได้พึงถึ ง, ถงโดยชอบเยี่ยงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เขาที่เขาต้องการอยู่เราก็ได้เสียสยละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น มาเพื่อเป็นนักบวชเพื่อจะค้ำชูสืบต่อซึ่งพระพุทธศาสนาดังกลาง่านี้เป็นประกานที่สามและประกานที่สี่ได้แกการเสียสละความสนุกสนานความสำราญลื่นเลงมันเถึงทั้งกายและจิตความสนุกลื่นเลง ย่อมเป็นสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ต้องการและปรารถนาอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของความสุขใจเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินใจจะนับภาษาจะปวยกล่าวไปยัยถึงมนุษย์อันได้ชื่อว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงสุดและมีสติปัญญาจะถึงค้นคิดและประดิษฐ์รดา สิ่งต่างๆให้ปรากฏขึ้นแก่โลกเพื่อผลคือความลื่นเริงในทางใจของตนแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานเขาเหล่านั้นก็ยังมีความต้องการสนุกและเพลิดเพลินเยี่ยงเดียวกับเราผู้ที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการบวชของพวกเหล่านั้นได้ชื่อว่า เป็นผู้เสียสละถึงสประการ 1. เสียสละความสวยงาม 2. เสียงเสียสละความสุขสนุกเพลิดเพลิน 3. เสียสละผลประโยชน์ที่เราจะถึงได้แต่โฟกัสสเสียสละความปนปนื้อนกระท่รา ร, ารา่างกายท่านทั้งหลาย อาจจะไม่ได้นึกคิดพิดจารณาถึงการมาของตนหรือไม่ได้นิดพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายที่ตนจากมาเราอาจจะมองไม่เห็นและนึกไม่ถึงอย่างที่กล่าวมานี้ เมื่อเรานึกไม่ถึงมองไม่เห็นในปัจจุบันหรือตลอดเวลาที่เราได้พฤทโธมาจัดเราอาจจะคิดว่าเข้าใจว่าเหล่านี้ไม่ได้อะไรบวชสามเดือนไม่ได้อะไรแท้ที่จริงนั้นเราเป็นผู้ได้แล้ว แต่เพราะเราเป็นผู้ได้นั้นเองเราจึงสามารถดำรงทรงภาวะคือความเป็นเพศของนักบวชและหลงคิดเข้าใจว่าเราไม่ได้อะไรถ้าเมื่อเราพิพจารณาถึงการเสียสลับของเราดังที่กล่าวโดยย่อนี้แล้วเราก็จะเห็น ในการได้ของเราเกียงจะเราจากบ้านมาเราก็ได้แล้วและได้ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเสียสละมันและเป็นเหตุให้เราได้เพราะสิ่งเหล่านั้นรวนแ้วจะเป็นสิ่งเป็นของที่เราปรารถนาความสวยความงาม มีใครบ้างที่ไม่ต้องการการพนาความสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงใจโดวยวิธีการต่างๆมีใครบ้างจะไม่ต้องการความมั่งมีทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงในทางโลกใครบ้างจะไม่ต้องการตลอดถึงการปลเปื้อนสภาพร่างกายก็เช่นเดียวกัน กันและสิ่งที่เราได้มันมาคือได้อย่างไรเมื่อเราได้เข้ามาสู่ธมมาจาันนี้แล้วท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสมจริงดังที่ท่านทั้งหลายได้ เสียสละมาแล้วหรือไม่ขณะนี้เวลานี้เราก็ยังมีโอกาสที่เราจะได้พิจารณาเย็นรู้เขาได้อยู่ยังไม่หมดโอกาสและเวลาและก็ยังไม่สายที่เราจะแก้ไขหรือปรับปรุงถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาไม่กี่นาทีชั่วโมงก็ตาม ไอ้ข้าคือผลของการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครๆอาจจักกำหนดหมายได้ว่าจะได้รับผลหรือไม่ได้รับผลหรือจะต้องเท่านั้นนาทีชั่วโมงหรือวันเดือนปีจึงจับได้ผลก็ผลของการปฏิบัติสาธารณธรรม ในศาสนาดีพระพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายแสดงไว้เลยในบทสวาขาธรรมคือคุณของพระธรรมว่าเป็นอากาลิโกนั่นหมายถึงว่าให้ผลโดยไม่อ้างการไม่อ้างเวลาเราท่านทั้งหลายสามารถประกอบเขตเพื่อยังผล อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นมันต้องเกิดและก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นนั่นเองความจริงย่อมเป็นเช่นนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตัดแล้วไม่จริงดังที่พระองค์ทรงตัดแล้วอะไรเล่ามันจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาในโลกนี้ หรือเป็นผลจริงประจักษ์จริงในกา ร, ป, รปฏิบัติของพวกเราทัทาง้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้จากเขามาแล้วให้เราได้สำรวจตรวจการดูในขณะนี้ขณะนี้เรามีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่ภายใต้ภ้าตาสภาวะเป็นธงชัยของระศาสนา แต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละเยิยิยาบทยืนเดินนั่งแนอนทำพูดและคิดมันเป็นไปสมจริงกับการเสียสละมาแล้วของพวกเราหรือไม่นั่นก็หมายถึงว่า การกระทําสิ่งใดๆก็ตามเป็นการกระทําเพื่อวกย้อนกับไปหาสิ่งที่เราเสียสละมาแล้วหรือไม่การพูดก็เช่นเดียวกันการคิดก็เช่นเดียวกันนี่ให้เราติแจ้งนะเมื่อเราเสียสละเข้ามาแล้วเรายังแสดงการกระทําพูดคิดบอกหรือสอแสดงถึงความกังวล ได้เก่ความเป็นปริโภทศหรือสิ่งนั้นเป็นนิวรณ์เกาะกินใจของเราหรือไม่นี่เราควรพิจารณาถ้าจิตของเรายังวกวนการกระทำของเรายังวกวนการพูดของเรายังวกวนเกี่ยวพ้องตัวพันกับสิ่งดังกล่าวอยู่เสมอเนืองเนืองแล้วก็คือเราเป็นผู้ เสียสละละทิ้งมาไม่จริงนั่นเองเมื่อเราเป็นผู้ไม่จริงก็ได้ชื่อเราเป็นผู้บกคร่องไม่ต้องไปถามใครเราเป็นผู้บกคร่องในการประพฤติปรมอาจารย์ของเราเองไม่จําเป็นที่จะทําความบกพร่องให้ปรากฏเป็นรูปทำขึ้นมาได้แก่ความผิดพลาด นี่เรามองดูความผิดพาดในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นในศาสนาของเราท่านจึงเปรียบเทียบว่าการบวชของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นจริงหรือไม่เป็นจริงตามนั้นไหมนี่เราละบ้านช่องเดือนชานผลประโยชน์ และื่นมาแล้วทรงไว้ซึ่งพรมอาจารย์ความเป็นอยู่ของเรานั้นเพื่อสิ่งนั้นอีกหรือไม่เพื่อความสุขเพราะการขบฉันหรือไม่เพื่อความสนุกลื่นริ่มบันเทิง ยังมีอยู่หรือไม่เพื่อความสวยงามยังมีอยู่หรือไม่เหล่านี้นั่นก็หมายถึงว่าจิตใจของเรานั้นวอกวนไปสู่เหตุการณ์และอารมณ์เกิดอารมณ์ในลักษณะดังกล่าวทั้งสี่อย่างนั้น ก็หมายถึงว่าเราเป็นคนไม่จริงจริงแต่ภายนอกภายนอกมันพากมาแล้วเราเป็นนักบวชคือออกจากเรือนเป็นนักบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนมีสจะดูภายนวาภ า, วาภายนอกแต่จิตใจของเรานั้นอย่างกวกุนเกี่ยวข้อง พันอยู่ในเรือนที่เราจากมาอย่างนี้จึงภาคแต่กายแต่ใจของเรานั้นยั ง, ย, งยังไม่ยอมภาคไม่ว่าเราจะจากสิ่งใดแม้แต่มันจะดีดีเล็กดีน้อยดีเลิศประเสริฐแค่ไหนก็ตา่างเราภาคจากมาได้เพียงแค่ตาย แต่ใจของเรายังตัวผันอยู่เพรฉะนั้นความเป็นอยู่ของการประพฤติปรมจรตลอดเวลาเราก็จะหาความสุขในทางใจได้ยากเพราะใจของเรายังวอกวนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พยายามยกจิตยกใจขควบคุมจิตใจของเราให้มันเที่ยงตรงคงที่ และผสมจริงอย่างที่เราได้พากจากมาถ้าเราไม่คิดถึงนึกถึงสิ่งที่เราจากมานะเราจะหมดเรื่องคิดแล้วหรือจะกลายเป็นผู้ถูกกดดัน อ, อัดอัดตันใจอย่างนั้นหรอเปล่าศาสนานี่ไม่ได้สอนไม่ได้หัก แม่พวกเราผู้พระพุทธมจรย์ทั้งหลายพรพุทธเจ้าไม่ได้ทรงท่ามแม่คิดไม่นึกแม่วิตกแม่วิจารณแต่ทวะท่านเองวิจตกุกวิจารณ์นึกคิดปรุงแต่ในเรื่องที่จะเป็นเครื่องวควบคุมจิตใจของเราให้เป็นใจที่ดี ให้นึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่จะควบคุมชักจูงจิตใจของเรานั่นให้ห่างไกลอารมณ์ที่เราได้จากสิ่งที่เราได้จากม า, ายิ่งคิดยิ่งไกลจากสิ่งที่เราละ ระเบนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าอย่างใจของเราพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติจาคานุสติสีลานุสตินี่ท่านสอนให้ระลึก ให้นึกให้คิดให้ปรุงให้แต่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของพระธรรมคุณของพระสบ์นึกถึงคุณของต า, า, านไผ่ได้แก่ทาน นึกถึงคุณของจิตท่านชี้ให้พวกเราเห็นง่ายๆว่านึกซึ่งเป็นของเพียงเล็กน้อยอย่างเรานึกพุทธโธนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแบบย่อยๆสั้นๆง่ายๆไม่สู้จะเป็นภาระของจิตมากเรื่องนัก ก็มีเพียงแค่สองตัวคือพุทธกับโทอย่างนี้เป็นต้นจิงอยู่ท่านชี้แนะให้เราระลึกถึงคุณของท่านเพียงแค่นึกหรือวิตกได้แค่การฝึกเท่านั้นไม่ใช่เรื่องมากมายอะไรแต่เราผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ถึงได้โปรดทราบและเข้าใจถือว่าแม่แต่คำว่าวิจารณ์นั้นมันก็อยู่ในแนวทางของความพิตมคือความลึกพุทโธนั่นเองเพียงแต่ท่านไม่ได้บอกไว้เราจะเห็นในรูปแนวทางของการปฏิบัติในเรื่องทางจิตใจ การเจริญสมถะสมถกรรมฐานอย่างหนึ่งคืออุบายสงบใจวิปัสนากรรมฐานอุบายเพื่อรู้แจกก็ เ, เรื่องของปัญญามันก็มีอยู่สองหลักนี้เท่านั้นหลักของการปฏิบัติจิตใจมันมีเพียงแค่นี้ไม่ได้มากไปกว่า น, นี้ ไม่ได้น้อยไปกว่า น, นี้อันนี้เป็นหลักทีนี้แม่ในหลักของสมถะอุบายสงบใจนั่นเองแหละมันก็มีอยู่สองรูปแบบแบบหนึ่งนั่นมันเป็นแบบของสมถะจริงๆคำว่าบริษัท สมาทานั่นก็หมายถึงอุบายสงบใจไม่ใช่อุบายที่จะทําให้ความรู้แจ้งคือปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นเรื่องของอุบายสงบใจเมื่อเรามีความสงบใจแล้วเราได้พบอุบายสงบใจและเราทําเราก็ได้กระทำำําบําเพ็ญให้มันเป็นไปแล้วคือสงบแล้ อย่างนี้มันก็เป็นบาทเป็นฐานควรแก่การที่จ ะ, จะเจริญความแจ้งคือวิปัสสนาอนนี้เป็นไปนตามขั้นตอนแต่อีกอย่างหนึ่งนั้นคำว่าสมาถานนั้นอุบายสงบใจมันมีอยู่สองแบบคำว่าสมาถานนี้ แบบหนึ่งคือวิตกดังที่กล่าวมาจช่นอย่างเราบริกรรมพุทโธเรียกว่าบริกรรมนิมิตนิมิตนั่นก็หมายถึงว่าที่หมายแต่เรานึกถึงพุทโธกับพุทโธนั่นแหละเป็นที่หมายเป็นนิมิตหมายของใจของสติเรากำหนดรูลมเข้าออกแม้ไม่มีพุทโธก็ล้มนั่นแหละเป็นนิมิต สี่กันคือรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกอย่อยางนั้นมันจะสั้นมันจะยาวก็ตามมันจะมีอาการเย็นอุ่นหรือเฉยก็ตามมันจะมีอาการที่ตากฏชัดปั่นตางแนละ้วเพียงแค่เถวเบาพอให้รู้ก็ตามนั่นเป็นเรื่องของลมเป็นเรื่องความปรากฏการของลมแต่นี่เรื่องของเราท่น บริกรรมรู้ลมเข้าลมออกอยู่อย่างนั้นเอาลมเป็นนินิดเครื่องอยู่ของสติเป็นเครื่องอยู่ของใจเพื่อจะให้จิตใจของเรานนัตั้งมั่นเพื่อจะให้จิตใจของเรานนัสงบจิตของคนก่อนจะสงบนั่นมันต้องเป็นสมาธิคือตั้งมั่นซะกว่า ของคนจะรวมนั้นจิตนั้นต้องสมาธิเกิดเพราะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นความแน่แน่วความตั้งมั่นหรือแน่แน่วนั่นคืออย่างไรสติของเราระลึกอยู่ในบริกรรมนิมิตคือพุโทโธพุธโทโธหรือบริกรรมอยู่ในนิมิตคือเล่ลู้ลมเข้าลมอ รู้ลมเข้าลมออกตราบใจที่ยังมีอาการเผลออยู่จะเผลอในขณะที่เข้าหรือออกก็ตากนั่นสมาธิยังไม่ตั้งสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นในบริกรรมนั่นยังไม่เกิดอาการเผลอมันจึงมีอยู่สมาธิยังไม่เหนียวแน่นไม่มั่นคง ความเผลอเลอหลงลืมมันจึงปรากฏขึ้นอารมณ์มัน จ, งนมมนจึงแทรกเข้ามาได้เมื่ออารมณ์แทรกเข้ามาสู่วงการที่เราจะต้องบริกรรมนิมิตในลมรือพุโทโธนั้นได้แล้วสมาธิความตั้งมั่นก็เสียไปสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาได้อ่ะไม่ได้ เมื่อมันเกิดไม่ได้เราจะทํำยังไงไมันจิงจะได้เราก็ต้องมันยันเทียนบริกรรมนิมิตอยู่อย่างนั้นจนกว่าสมาธิความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นอยู่กับงานอันนี้สมาธิมีอยู่ในงานอันนี้เมื่อสมาธิเกิดขึ้นเราก็ บริกรรมนิมิตของเรานั้นไม่ขาดโดยจากความรู้สึกคือสติถึงแม้จะมีอารมณ์มันใดอดีตในอนาค ต, ตปรากฏผ่านเข้ามาในวงตารที่เราบริกรรมนิมิตอยู่นั้นยังมีอยู่ก็ตามเราท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงกําหนดสังเกตให้ดีว่าบริกรรมนิมิตอ น, นั้นไม่ขาดสบัตด อย่างชัดเจนเหมือนข่าวแรกคงตั้งมั่นบริกรรมนิมิตอยู่อย่างนั้นไม่หลงไม่ลืมเพียงแต่ความกำหนดรู้ในบริกรรมนิมิตนั้นที่ชัดเจนเด่นชัดลดตัวลงไปอันนี้อุปมาอุปไมเหมือนไฟเทียน ไฟเทียนมันจะสว่างมากสว่างน้อยมันอยู่ที่ไส้กับลําเทียนนั่นแหละแต่เป็นไฟเทียนที่ถูกลมต้องลมพัดผ่านมาันมันดีลงไปแต่ไม่ถึงกระับถ้าลมแรงความสว่างของเทียนก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไป แต่ไม่ถึงขั้นดับเมื่อลมหยุดมันก็จะโพรงตัวขึ้นมาตั้งเป็นแสงตรงขึ้นไปอันนี้ฉันใดเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้โปรดตั้งข้อสังเกตในการปฏิบัติจิตของตนก็มีอุปมาอฉันงนะั้นคือเมื่อสมาธิ เกิดขึ้นในการปฏิบัติกิจของใจเราวคือสติแล้วไม่มีการเผลอไม่หลงไม่ลืมนั่นสมาธิตั้งขึ้นแล้วในกิจกรรมมันนั้นหรือการทํางานนั้นได้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเมื่อสมาธิมันมีอยู่ในกิจกรรมมันใดกิจกรรม น, นั้นจะมั่นคงจะเหนียวแน่น ต่อการทังทลายถ้ายัางมีอารมณ์สัญญาอารมณ์อดีตนอนาคตปรากฏอยู่ทักฐานวงจรเข้ามาสู่การไปเปิดปฏิบัติจิตของเรามันจะทำสติตัวกำหนดรู้ลมลึกป ร, ริกรมนั่นที่เด่นชัดอยู่นั้นให้หลีลงจะลดความรู้ลงไป เป็นคัดแถวเบาลงไปไม่ถึงกับขาดพออารมณ์ันนั้นผ่านพ้นไปสติเราจะลุกโพงอยู่ในบริกรรมนีมิิอันนั้นอีกจะเป็นอยู่โดยการอย่างนี้ถ้าลมมันแรงเทียนจะดับความมืดจะปรากฏ ด้วยกิเลสมีราคะหรือตัณหาอย่างรุนแรงแล้วมันจะทำบริกรรมนิมิตสมาธิเพียงเล็กน้อยนั้นให้ขาดสะบันลงไปจากจิตสมาธิความตั้งมั่นลม้มทับลงไปในระหว่างนิมิตคือพุโทโธหรือลมนั้นจึงขาดจากความรู้สึกโดยขึ้นเฉย นี่คือข้อสังเกตและก็เป็นสิ่งที่เราจะพึงรู้รู้ทุกครั้งของการเจริญสมาธิภาวนานไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้ขั้งใดขั้งหนึ่งเราจะต้องทำความรู้ทุกครั้งของการเจริญสมาธิภาวนานไม่ว่าจะยืนทำนั่งทำนอดท ำ, นนทำเดินทำก็ตามกินอยู่ก็ตาม กาอยอุจาระปัสสวาวะก็ตามไม่มีเวลาใดถ้าตามหลักของความเป็นจริงแล้วต้องรู้อยู่ตลอดเปหลักเมื่อสมาธิของเราแตก็กาอารมณ์อดีตอนาคตนั้นจะดับไปจะไม่เกิดขึ้น น่คือความไม่มีเมื่อสัญญาลมดับไปแล้วสมาธิของเราจะตั้งมั่นจะมีความแน่นเหนียวมั่นคงแม้ว่าสัญญาลมจะดับไปแม้แต่เพียง5้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ตามได้ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ตาม ก็ดีแต่ได้ถึงหนึ่งชั่วโมงสมาธิของเราจะแข็งแกร่งขึ้นแม้บางขณกขณะจับพัจจับปล้สัญญาลมดีินาก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงเราก็จะเห็นได้ชัด สัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาอดีตก็สักต่ว่าอดีตอานาคตก็สักแต่ว่าอานาคตเห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ก็สักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่ปรากฏนั้นไม่สามารถที่จะไปลบล้างทาลายสมาธิความตั้งมั่นมีอยู่ในขณะที่เราปฏิบัติจิตของเรานั้นได้ อันนี้คือสมถะอุบายสงบใจแต น, นี้สมถะอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นสมถะที่มีอยู่ในอารมณ์ที่แคบแคบไม่ได้อยู่ในอารมณ์เพียงเล็กน้อยคือพุดโทรหรือลมหายใจต้องออกเพียงแค่นี้แต่อยู่ในอารมณ์ที่กว้าง สมถะแบบวิจฉาซึ่งเป็นลักษณะแนวของปัญญาคล้ายๆเราเดินเอาทางของวิปัสสนามาเดินเดินสมถะอยู่บนแนวของวิปัสนาบนทางของวิปัสนาแต่มันไม่เป็นวิปัสนาผลของมันถ้าปรากฏขึ้นมันจะเป็นสมถะ ยังไม่เป็นวิปัสนานั่นได้แก่การเจริญสมาธิสมถ า, ากรมฐานดูบายสงบใจของเราด้วยวิจารไม่ใช่วิตกเมื่อวิตกขตึ้นมาแล้วได้แล้วขึ้นอารมณ์มันใจแล้วเราก็ทำการวิจารทำความรู้ให้กว้างขวางออกไป มากขึ้นในอารมณ์มันแล้วนี่ก็เป็นอีกลักษณะเป็นทั้งวัตถุคือเรื่องอารมณ์อันเดียวแล้วก็พิจารณาแยกแยะออกไปสาวไปหาเหตุที่มาของอารมณ์ยังถึงผลอันจะพึงมี ในเมื่อประสบอารมณ์ น, นี้ก็เท่ากับ ว, ว่าเราเดินตามรอยของคำว่าทำมันยุตาอัตถัยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุอันเป็นตัวก่อให้เกิดผลเป็นผู้รู้จักผลบอกที่มาถึงเหตุ ขณนะนี้เราได้นั่งฟังก็สบายไม่ฟังก็สบายใจของเรานี่มันเป็นผลตัวผลมันปรากฏแต่เรายังไม่เห็นเหตุทำไมเราจรึงสบายฟังก็สบายไม่ฟังก็สบาย อะไรมันเป็นเหตุให้เราสบายอย่างนั้นที่มาของมันก็ต้องมีความเห็นในความ ส, สบายในตัวปัจจุบันเขาเราตึกระลึกรู้ว่าใจของเราสบายสบายเพราะมันไม่มีความนึกค ว, ความคิดความปรุงความแต่งอะไรความอยากอะไรอะไรก็ไม่มีความไม่อยาก ในเพราะอะไรซึ่งปรากฏไปตามธรรมชาติมันก็ไม่มีนี่คือเป็นตัวปัจจุบันและตัวปัจจุบันนี้ก็จมแสดงถึงเป็นตัวผลบอกมาจากเหตุซึ่งเป็นอดีตเมื่อใจเราสบายนี่เราก็ค้นสาวลงไปว่ามันสบายเพราะเหตุดังลืออะไรมันเป็นเหตุทําให้ใจของเราเนี่ย มันสบายขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันก็จะสบายขึ้นถ้าสิ่งที่ปรากฏกับตัวของเราโดยไม่ต้องอาศัยเหตุมันก็ผิดหลักความจริงในภูพุตตศาสานาซึ่งพระองค์ได้ทรงสแสดงและตัดไปว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุหลับเพราะเหตุดับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิตกจึกถึงอารมณ์ เช่นอย่างท่านสอนว่ากายคตาสติดูก่อนมหากาัสปะท่านพึงมีสติเป็นไปในกายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานการบวดให้แก่พระมหากาัสปะ ไม่เหมือนกับการประทานการบวชให้แก่เอ้พิกูลทั้งหลายท่านบวชโดยทรงประทานโววาทคือทำสามประการมีกายยกตาสติจงเป็นผู้มีสติเป็นไปในกายดังนี้เป็นต้นนั่นคืออย่างไรสติเป็นเครื่องระลึกลู้ในกาย กลึกว่ากายกายกายกายอย่างเดียวอย่างนั้นเลยตึกอยู่แต่กายคำเดียวอย่างนั้นหนึ่งเลยคำว่ามีสติเป็นไปในกายนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ปริกรรมกายมีมิติอย่างเดียวกายมันกว้าง มันมากเรื่องแค่ไหนอย่างไรพวกเราก็รู้นั่นท่านสอนชี้ให้ระลึกอยู่ในสก ล, ลกายนี้ตั้งแต่ปลายผมถึงปาเท้าตั้งแต่ปลาเท้าถึงปลายมผมว่ากันอย่างนั้นและการระลึกนั้นระลึกในรูปของการบริกรรมนิมิต ลึกถึงผมบคนทิศตะระลึกรู้เพียงแค่ว่าผมเท่านั้นวิจกตึกเพียงแค่ผมเท่านั้นไม่มีการวิจารระลึกถึงเล็บถึงได้ถึงขนเล็บปันหนังเลื่อยเข้าไปตามสัญญาธรรมเรียกว่าการสามสิบสองหรือมากกว่านั้นก็ตามลบทั้งค่าสี่ก็ตามเราระลึกแต่ละอย่างละอย่างวิตกแต่ละอย่า ง, งละอย่าง นี่มันกวา่ามันจะมากก็ตามมันก็มากโดยปริมาณซึ่งเป็นลักษณะของคำว่าคล้ายวิปัสนาแต่ว่ามันน้อยเพราะบริกรรมนิมิตวิตกเพียงแค่มากอย่างก็เพียงแค่หนึ่งเดียวนึกถึงผมก็ผมอย่างเดียว ไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นในเรื่องของคำแบบนี้อย่างอีกอย่างหนึ่งนั่นนึกอย่างเดียวเพียงแค่ผมอย่างเดียวแต่วิจาาณผมนึกถึงเส้นดูลักษณะของมันยาวสวยไม่มีป้องแรกเริ่มมันก็ไม่สู้จะดำสนิทเมื่อเกิดมาได้ดินฟ้าอากาศนานเข้ามันก็ดำสนิท เมื่อมันดำสนิทนานเข้ามันก็แดงแดงนานเข้ามันก็ขาวนี่เรดูความเปลี่ยนแปลงของผมมันก็อีกลักษณะหรือผมนั้นมันมีอะไรเป็นอาหารลากมันอยู่ที่ไหนปลายมันอยู่ที่ไหนกลางมันอยู่ที่ไหนมันอย่างขนพวกมันลงไปบนผิวหนัง มันมีเยืะเขาสาวขุ่มอยู่ที่โผล่ลาบของมันมีน้ำเลือดน้ำน้องน้ำเลืง้งของเรานี่แหละเป็นอาหารของมันและเราก็วิจารณ์เรื่อยไปวิจารณ์ดูความจริงถึงความไม่เที่ยง ความคงทนตั้งอยู่ไม่ได้คือเป็นทุกข์ความบังคับบัญชาไม่ได้คืออนัตตานี่เรื่องของผมอย่างเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นลักษณะของอารมณ์วิปัสสนาแม้เราจะมองลงไปด้วยความเป็นธาตุนี่คือธาตุิน ดินคือผมของเรามีลักษณะแสงสีสันฐานเป็นอย่างไรดินภายนอกที่สมมุติว่าดินดินมันเป็นอย่างไรเราพิจารณาดูความเป็นของปฏิกูลของสก โ, โครกบปฏิกูลทั้ง รูปร่างสันผานสีและกลิ่นของมันเมื่อเราวิจารณถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นการเจริญฝึกจิตอบรมจิตของเราด้วยลมที่ว่าเดินอยู่บนแนวทางของวิปัสสนา ตลอดเวลาที่เราวิตกวิจาร์อยู่อย่างนี้จิตของเราไม่เถลไม่ถลายออกนอกคลองสายทางแนวทางที่เรากำหนดหมายไว้คำว่ากายนี้เดินอยู่ในกายนี้ทั้งหมดที่มันปรากฏเท่าที่มันมีอยู่โดยไม่แชร์ใส ชัดเจไปสู่อารมณ์อันอื่นมีสมาธิตั้งมั่นแน่แน่อยู่ในใจอันนี้เมื่อสมาธิตั้งมั่นเกิดขึ้นแม้เราจะมีอารมณ์มากความสงบคือความเป็นสมาธิมันก็มีอยู่เป็นอยู่ การจะพิจกวิจารณ์สิ่งใดก็ตา่างโดยที่ไม่สมาธิกำกับอยู่แล้วเป็นเรื่องไม่ทุกข์การทํานั้นไม่สู้จะเป็นทุกข์เดือดร้อนแม้ทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะการนั่งนานการเมื่อการขบเลือดลมเดินไม่ได้ไม่สะดวกมันก็พอทนมันก็พอสู้ เพราะสมาธิมันเป็นเครื่องสนับสนุนความอดความทนซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติในหัวใจของคนละสัตว์อีกพลังหนึ่งด้วยเมื่อเราวิตกวิจาร์โดยที่มีสมาธิกำกัเราจะไปเดือดร้อนอะไร การทำงานของเราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเมื่อมีสมาธิเป็นไปอยู่กับงานในทางจิตอย่างนี้จะมากก็ตามน้อยก็ตามเมื่อเรามีความภาคความเพียรพยายามให้มันมากขึ้นมากขึ้นบาเพ็ญมัน มากขึ้นจนกว่ามันจะปรากฏผลของคำเป็นสมาธิผลของสมาธินั่นคืออะไรพูดอย่างกรรมฐานได้แก่จิตรวมคำว่าจิตรวมนั่นเป็นอย่างไรจิตรวมตัวนะั่นรวมกระแสของความรู้ทั้งหมดแม้แต่เป็นสมาธิ เวลานี้เราเป็นสมาธิมีสมาธิอยู่กับงานของใจใเกการวิจารณ์ส่งจิตเป็นแนวหน้าทับหน้า แ, นแล่นระลึกลู่อยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายแล้วยังไม่พอแล่นไปถึงแดนของความเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมแล่นไปถึง ของแดนของความเป็นสุขะไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลแล่นไปสู่สภาวะเรื่ความไม่เที่ยงเป็นทุกขนัตตาหมดเพราะมันเป็นอารมณ์ของนิปพัสนาเรามาเจริญหมดปรากฎเป็นสมาธิทุกอารมณ์ไม่ว่าเราจะมองลงไป โดยความเป็นธาดมันก็เป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นของปฏิกูลมันก็ตั้งมั่นเป็นของไม่สวยไม่งามมันก็ตั้งมั่นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาเขี้ยวเข็นไม่ได้ความเป็นสมาธิมันก็ตั้งมั่นเหมือนว่าเราจะวิจกวิจาร์ไปอย่างไรสมาธิมันติดแจอยู่อย่างนั้นกำชับอยู่อย่างนั้น คำว่าจิตรวมเนยะรวมกระแสของสมาธิที่มันตั้งมั่นตามสติระลึกรู้อยู่ในกองธาตุอันนี้รวมตัวเข้ามารวมเข้ามาสู่จุดเดียวนั่นก็หมายถึงว่าจิตรวมจิตรวมก็คือจิตละ ถ้าไม่ละไม่รวมละความวิตกวิจารณ์แม้แต่ที่เป็นสมาธิกำกับอยู่นั่นเองเลิกวิตกวิจารณ์เลิกพินิษพิจารณาอย่างกว้างขางแม้จะเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอย่างไรก็ตามจิตมันจะต้องรวมตัวเข้ามารวมทึบลงไปหรือค่อยลงไป ถ้ารวมอย่างโลดผลนั่นจะรวมอย่างแบบชนิดดับสวิไววตไฟเราเปิดไฟสว่างเต็มวิหารเมื่อเราปลดคัดเอาปับ๊บมันจะดับพึกพร้อมกันอันนี้ฉันใดคำว่าจิตรวมอย่างโลดผลเพราะจิตนั่นถูกสมาธิเข็น อารมณ์ทั้งหลายถูกสมาธิสกัดกัน้นเมื่อรวมตัวลงไปอย่างแรงแล้วเขาจะวางละสิ่งที่วิตกวิจาร์แม้ทั่วสรรพังสายก็ตามแล้วรวมเหลือแต่ผู้รู้แม้แต่จะตายสักติหนึ่งก็ไม่ มันรวมอย่างแรงนะมันรวมอย่างโลดพลนะและรอมรวมลงไปที่เดียวถึงที่ไม่ต้องไปยั่งอยู่ตรงไหนถึงที่สุดของความสงบอย่างนี้ก็มีรวมหมดจริงแต่ค่อยรวมลงไปเป็นขั้นๆ ค่อยรวมเจตสิกแม้แต่เป็นสมาธิวิจารณอยู่ทั่วสบุร ก, กายนะเข้ามาอย่างสมมุติเราวิจารณอยู่ร้อยเรื่องร้อยปัญหามันจะลดลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปจากร้อยเหลือเก้าสิบจากเก้าสิบเหลือแปดสิบเหลือห้าสิบเหลือสี่สิบเหลือสิบเดียวเหลือหนึ่งเดียว พอเหลือหนึ่งเดียวแล้วความละเอียดของสภาพจิตความรู้ชัดแม้ในความสง บ, บในอารมณ์นั้นมันก็จะลดตัวลงไปลดตัวลงไปความรู้ที่ชัดมันจะหลีลงไปลงไปลงไปลงไปนั่นเป็นลักษณะของความละเอียดของความสง บ, บ เมื่อมันเลื่อนจิตลงสู่ภวังเพื่อนไปจากฐานคือภพนี้คือภาวะในความเป็นปัจจุบันมันเปลี่ยนภพใหม่เปลี่ยนสภาพจิตใหม่แต่ความจริงจิตของคนเรานะั่นอะสติของคนเรานะ่มันไม่ได้มีมากตัวมันมีอยู่ตัวเดียวสติก็ตัวเดียวจิตก็ตัวเดียว ที่คำว่าเปลี่ยนสภาพใหม่นะเพียงแต่แค่ข อ, อยืมมามาพูดเฉยๆจะเป็นภาษาธรรมะให้เราเข้าใจอย่างนั้นแค่ที่จริงมันก็คือสภาพจิตดวงนี้แหละแต่ว่าความรู้ที่มันปราณีตละเอียดอ่อนมันต่างกันเหมือนกับภาวะของคนผู้ที่จิตเป็นประถมมชานมันประกอบไปด้วยอารมณ์ทั้งห้ามีทั้งวิตกคือความปรึกบริกรรม มีทางมีทางวิจารณ์คือการพิจิตพิจารณาเมื่อเราตึกขึ้นมาพิจารณาไปสมาธิเกิดขึ้นปีติมันก็เกิดบริกรรมไปปีติเกิดไปพิจารณาไปาาไปีติเกิดไ ป, ไปเมื่อปีติมันเกิดสุขมันก็เกิดเมื่อสุขเกิดเอกค้ตาความเป็นหนึ่งมันก็เกิดเกิดอยู่ในสุขนั่นแหละ สุกมันเกิดเพราะอะไรสุขมันเกิดเพราะปีติปีติมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะวิจารวิจารณ์มันเกิดเพราะอะไรวิตตกเพราะนั้นท่านยังบอกว่าปฐมฌานจึงมีอารมณ์ห้าทุตียะฌานละปิตวิตกวิจารเหลือปีติสุกเอกัตาอารมณ์มันน้อยลงไปตติยะฌานเหลืออารมณ์สองตัดจะตุติฌานก็มีอารมณ์สอง ก็ละเอียดลงไปอย่างนี้เราก็จะเห็นสภาพของความละเอียดการที่จิตอย่างลงสู่ฌานถ้าจะพูดถึงฌานจิตนั้นมันก็จะวางอารมณ์อย่างเราวางวิตกวิจารณ์มันก็เบาแล้วไหมทแรกมันมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในอารมณ์ที่มากมีทั้งวิตกวิจารณ์ ต้องตึกต้องมันตึกต้องมันตรองมันพินิษพิจารณาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็เกิดปีติยิ่งเกิดยิ่งพิจารณายิ่งวิตกมันก็ยิ่งเกิดอย่างนี้ถ้าหากว่าเราหยุดวิตกวิจารึกมันไม่อยู่ในฐานะที่จะปล่อยวางลงไปได้ฌานมันก็เสื่อมมันก็ถอนจิตมันก็ถอนออกจากอารมณ์ของฌานเพราะอารมณ์มันถอนเพราะอารมณ์มันด เพราะมันยังไม่ถึงขั้นตอนอิ่มตัวที่จะดับลงไปได้ที่เราจะวางได้ถ้าเราเกิดไปวางแล้วมันก็เขาเรียกว่ามันก็เสื่อมอย่างนี้เป็นต้นกานนี้แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันพินจารณาซึ่งเป็นหน้าที่หรือเป็นหลักของการปฏิบัติทางจิตทางใจเมื่อเราเอาชีวิตจิตใจของเราอยู่ในแนวหลักของการประพฤติ ปฏิบัติอบรมทางจิตทางใจแล้วพอเป็นไปได้บังแล้วส่วนภายนอกนั้นมันก็ย่อมจะหมุนเวียนเป็นไปตามกระแสของจิตเพราะฉะนั้นความสำคัญสุดยอดของการประพฤติภมจรันรย์ก็คือจิตคือใจแังนั้นจึงขอฝากพวกเราทัดนทั้งหลายทั้งท่านที่จะอยู่และจะไปเพื่อเป็นในสอนเพื่อจะได้ระลึก ถึงกันและกันเพราัการที่ได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นการฆ่าเวลารอคอยจิตที่เราจะต้องทำเห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านทุกคนจงประสบกับความจเจริญงอกงามไพยบูรในพระพุทธศาสนาโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนจึงบันดนี้จะได้แสดงธรรมะ เป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งสติปัญญาและสมาปฏิบัติสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เราก็ได้มาประชุมตามวาระประจำของพวกเราเช่น เคยกระทำบาเพ็ญกันมาโดยลำดับไม่ขาดสายกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในขณะนี้เป็นการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวแกะทางด้านจิตใจของเราทุกๆุ ส่วนการปฏิบัติซึ่งเป็นกิจประจำวันหรือประจำกายประจำวาจาของเราท่านทั้งหลายนั้นเราทุกท่านต่างก็ได้พยายาม กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปอย่างสมความสามารถของเราแต่ละท่านแต่ละบุคคลนั่นเกี่ยวแก่ศีลและธรรมซึ่งเราท่านทั้งหลาย ได้ทำการพิจรารณาด้วยปัญญาอันชอบของตนที่เห็นสมควรจะ น, น้อมเข้ามาสู่กายสู่วาจาและก็สู่จิตใจของตนและได้พยายามปฏิบัติ บำเพ็ญตนของตนให้เป็นไปนตามแนวทางกล่าวคือศีลและธรรมแต่ละอย่างนั้นท่านนี้ก็เพื่อผลคือความดีจะได้บังเกิดขึ้นจากการปฏิบัติขัดเกลาตนของตน ความศีธรรมดังกล่าวแล้วนั้นเกิดขึ้นที่กายของเราบ้างที่วาจาของเราบ้างและก็ที่จิตใจของเราบ้างเราท่านทั้งหลายต่างก็ได้เห็น ความเป็นไปของชีวิตได้ แ, แก่ความเป็นอยู่ในวันหนึ่งหนึ่งของเราว่าชีวิตคือความเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยไยนานับประการไม่เป็นที่น่า ดีและก็ปราถนาไม่พึงนิ่งนอนใจในการได้ชีวิตคือความเป็นอยู่นี้แม้เราจะมองไปถึงความเป็นอยู่โดยที่เราจะต้องมาพึ่งพาอาศัย ซึ่งปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องประดุงชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายให้ดำรงทรงอยู่ได้มาโดยลำดับด้วยความสวัสดิภาพและปลอดภัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่อง ได้รับความสะดวกได้รับความสบายในทุกสิ่งทุกประการก็หาไม่ได้ถ้าเราจะมองไปถึงที่มาของปัจจัยทั้งสี่จากการกระทำจากการแสวงหาตลอด ถึงการสั่งสมเราก็จะเห็นซึ่งความยุ่งยากความทุกข์ความลำบากนานับตาการยิ่งกว่านั้นถ้าเรามองไปถึงเรื่องของความผันผวน มานจะพึงมีกับชีวิตของเราและกับทุกๆสิ่งบรรดามีในโลกได้แก่ความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนเข้าด้วยแล้วก็ยอมจะทำให้เรามีความรู้สึกวาดวัน นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจึงดูเหมือนว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่มัวเมาในชีวิตคือความเป็นอยู่ซึ่งได้รับความปลอดภัยได้รับความสะดวกสบาย นานับประการเช่นในขณะนี้จึงได้พากันขวัญขวายแสวงหาคุณงามความดีในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวแก่ศีลและธรรมอันได้ชื่อว่าเป็นปฏิปทาเครื่องดำเนิน ของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งส่วนภายนอกได้แก่กา ย, กายวาจาและประกอบด้วยข้อวัดปฏิบัติคือทานและศีลหรือศีลสมาธิและก็ปัญญา ส่วนจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้นิ่งนอนใจและก็เพิกเฉยโดยไม่มีการฝึกฝนอบรมจิตใจบรรดาชาวพุทธทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธภายในประเทศของเรา ทีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ก็มีไม่มากนักซึ่งผู้ที่จะมีความสนใจใครต่อการกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตนของตนันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็ได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอันนี้เนะี่ยไม่ค่อยจะมีมากนักจะมีก็เพียงแต่แค่ภายนอกคือแค่กายแล้วก็แค่วาจาส่วนจิตใจนั่น บ่อยประละเลยไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมใจของตนให้เป็นไปตามทํานองครองธรรมในศาสนาเหมือนกับกายและวาจาแต่พวกเราท่านทั้งหลายนั้น โดยส่วนมากแล้วหรือจะกล่าวได้ว่าไม่มีสักคนเดียวบรรดาที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ที่จะไม่มีการฝึกฝนรบลมจิตใจของตนนับว่าไม่มีดังนั้น พวกเราทุกคนได้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วด้วยความตั้งใจไม่มีอะไรบกพร่องนั่นก็หมายถึงว่าในตัวตนของเราท่านทั้งหลายนี้โดยย่อก็มีเพียงแค่กายวาจา และก็ใจกายวาจายและใจนี้ในเชื่อว่าเป็นเครื่องรองรับเอาซึ่งพระพุทธศาสนาในแก่คำสอนของพระพุทธเจ้ า, าศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื we world, ่อเราจะกล่าวโดยย่อก็ได้แก่ศีลสมาธิและก็ปัญญาเพียงสามประการนี้เท่านั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติหรือเป็นปฏิปทาเครื่องดำเนินเป็นทางเดินสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ทำให้พวกเราท่านทั้งหลายผู้เดินตามนั้นได้ประสบพบกับสิ่งที่เราเพึงตรัสถนาซึ่งเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นจะพึงแสดงผลให้ปรากฏแก่พวกเราผู้ดำเนินตามด้วยความตั้งใจ ด้วยความเข้มแข็งซึ่งผลของศีลของสมาธิของปัญญาก็าได้แก่ความสะอาดกายสงบใจและก็สว่างจิตนี่คือผล ที่เราจะพึงได้รับจากการปฏิบัติตนของตนตามแนวทางคือสินสมาธิและก็ปัญญาสินสมาธิและปัญญาได้ชื่อว่าเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องบันเทา เป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องชำระร่างและก็อื่นๆอีกมากบันเทาอะไรนี่สินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องบันเทาอะไรในตัวตนของเรา ไม่กล่าวไม่ชี้แจงแสดงให้ทราบในเวลานี้เราทุกท่านก็ย่อมจะเข้าใจ เ, เพราะอะไรเป็นปฏิปักษ์กับคำว่าศีลสมาธิและปัญญา เ, เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ขณะนี้เวลานี้กายของเราทุกท่าน <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าตั้งไว้ดีแล้วตั้งไว้ชอบแล้วเราจงปรงปล่อยวางความกังวลในระหว่างกายและจิตโดยสิ้นเชิง วาจาของเราก็เป็นวาจาที่ดีเรียบร้อยไม่มีวาจาใดที่จะไม่ดีหรือบกพร่องเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายจงวางใจเสียจากวาจาจะได้มีความปริพภทกังวล ใดๆเพราะเหตุว่ากายดีแล้วสงบแล้วเรียบร้อยตั้งอยู่ในความเป็นปกติคือไม่ทำบาปใดๆทั้งสิ้นวาจาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความรู้สึกนึก ที่ยังต้องเกี่ยวข้องผัวพันอยู่กับอาการของกายและวาจาด้วยเพราะเหตุแห่งความที่กายนั้นบกพร่องเคลื่อนคราดไปจากความเป็นปกติซึ่งก็เป็นเรื่องของอดีตเป็นการที่ผ่านไปแล้ว สิ่งใดที่มันเป็นอดีตผ่านไปแล้วก็จงให้มันแล้วกันไปอย่าได้เก็บแหละกืนเข้าไว้ภายในจิตใจของหลักให้เป็นเครื่องปริโภธิ์เระกังวลซึ่งจะเป็นอุปตรตัก์ต่อการกระทำำําบําเพ็ญของเราโดยเฉพาะ เรื่องของจิตใจในขณะนี้เพราะเหตุนี้ในศาสนาของเราท่านจึงได้สอนนักสอนหนาสิ่งใดที่เป็นอดีตซึ่งผ่านไปแล้วก็ให้มันเป็นสิ่งที่รู้จักคำว่าแล้วอย่าได้กังวล เพราะเราจะเอาใจไปกังวล น, นั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปจัดการแก้ไขคำว่าที่ผิดหรือพลาดแล้วนั้นให้กลับสู่ในสภาพเป็นความดีขึ้นมาได้นอกเสียจากเราจะเริ่มต้นกันในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้น เพราะเหตุนี้เราท่านทั้งหลายจงพากันตรงใจคือวางใจของเราเสียจากอาการของกายและของวาจาโดยที่ถือและทำความเข้าใจว่ากายของเรานั้นตั้งไว้ดีแล้ววาจาของเราก็ตั้งไว้ดีแล้ว แล้วก็ให้เรารวบรวมกระแสของใจได้แก่ความรู้ซึ่งแผ่ซ่านไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรือไกลออกไปจากใจของเราแม้แต่มันจะพ้นไปจากที่เรานั่งไปสู่ที่นั่งของผู้อื่น กว้างออกไปนอกจากสลานอกวัดไปสู่บ้านหรือแผ่ซ่านไปเต็มโลกก็ต่างให้เราตรงใช้สติตามและลึกและรวบรวมกลับเข้ามาสู่กายของเราทั้งหมดเมื่อเข้ามาสู่กายแล้วยันจะวกวนหมกมุ่น ดูกับอาการของความดีและความชั่วของกายและของวาจาดังกล่าวนั้นก็ไม่เอาก็ให้รวมเข้ามารวมเข้ามาสู่ใจของเราให้ได้สู่เฉพาะเรื่องของใจให้ได้นี่เป็นหน้าที่หรือเป็นกิจ สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจำต้องทำจำต้องบำเพ็ญให้เป็นไปดังกล่าวแล้วในขณะนี้มันจึงจะถูกกับเรื่องกับเรากับหน้าที่ของเราในขณะนี้นอกจากนั้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูก มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหมาะสมมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ควรจะกระทําเรื่องที่ถูกเหมาะสมและควรกระทําอย่างยิ่งก็คือเป็นเรื่องของปัจจุบันปัจจุบันในขณะนี้เวลานี้โดยเฉพาะเรากําลังมุ่งทําความดี ใส่ตัวตนของเราโดยเฉพาะก็คือใจเรามุ่งการสร้างความดีเฉพาะใจเท่านั้นไม่ใช่กายไม่ใช่วาจา